ท่านฟังที่เคารพคะรายการสันสนส น, นานะคะก็ผ่านไปสำหรับท่านมาร์คหรือพระมาร์คชาคาวโรตอนนี้ก็ดำเนินมาถึงพระภิกษุรูปที่สองในรายการสันส น, ส น, นาเนี่ยนะคะก็คือพระภัยบูรณ์อภิปุนโนจากวัดป่าดอนายโกอุดรธานีช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะน้ัสการท่านะใช่พาดิฉัน ต้องพูดประโยคซ้ำๆเดิมนะคะ mm hmm. คืออยากให้ท่านในฐานะที่ได้สล ะ, ะเวลาเป็นอย่างยิ่งมาให้พวกเราได้เสด็จทำกันว่าระเจอผู้ฟังเพิ่มขึ้นในทุกๆ ท, ที่ที่ไปเช่นดิฉันไปสนทนาธรรมกับท่านในพลทั้งหลายที่จะเกษรยณอายุราชการในปีนี้ที่กองทัพ บ, บ ก, mm hmm. กสุภาพสตรีท่านหนึ่ง ก, ยก็ยศตำแหน่งสูงนะคะก็เดินมาบอกว่า ฟังรายการอาจารย์ส่วนอีกท่านหนึ่งน่าจะไปเจอที่ไปรายการรัฐบาลพกประชาชนทุนเพื่อคุณภาพชีวิตที่เพิ่งผ่านมาก็มาถามว่ามีซีดีไหมบันทึกรายการระยะหลังเนี่ยชอบรายการมากเลยอยากฟังซ้ำอ่ะดิฉันก็เลยจะมาปรึกษาท่านเหมือนกันว่าเอะในเว็บไซต์ท่านขึ้นไหมคะโอมีอยู่มีอยู่มีจุดที่ให้สามารถเลือกฟังทาได้นะคะก็ไปที่เพียวธรรมะยวธรม com เราก็จะมีหน้า LISTEN ที่ให้ไปไปดูได้อยู่ค่ะส่วนซีดีเรามีโยมพี่ดิชันขอเอ่ยนามเพื่อจะอนุโมทนาโยมมดใช่ไหมคะใช่คุณจุวรรนาดิชันได้คุยกับท่านแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นคนที่มีธรรมะสูงอยู่ทีเดียวทั้งๆที่ก็ใช้ชีวิตด้วยความเหนื่อยเหมือนกันแต่ก็ถือว่าเรื่องการให้ธรร ม, มะท่านไม่มีโอกาสมาจากรายการแบบดิฉันท่านก็ใช้วิธีที่ว่าทาซีดี โดยบันทึกจากรายการนี่แหละแล้วก็ไปถวายพระอาจารย์ให้คอยแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจ น, นะคะเทพานผุานาทนานอาจารย์คะทีนี้เราค้างคำถามของผู้ฟังท่านหนึ่งซึ่งถ้าถ้าอาจารย์ไม่เตือนนี่ดิฉันก็ต้องขออภัยจริงๆน ะ, ะไม่ทราบมองพลาดจะได้อย่างไรคือคุณรัตนาวดีชูติกุลนะคะพูดถึงคำว่าร่าเริงในธรรมซึ่งท่านบูลเคยเตือนดิฉั น, ฉนเวลาดิฉันพูดว่าฟัง สนทนาธรรมแล้วสนุกเนี่ยใช้ความ่าเริงในธรรมคุณรัตนวดีก็มีคําถามนะคะว่าทายังไงถึงจะทําให้ตัวเองเป็นผู้ร่าเริงในธรรมได้เพราะทั้งๆงที่รู้ก็ไม่สามารถที่จะร่าเริงในธรรมได้เ<อ>ชื่อสอนนะคะเชิญพอนความความร่าเริงในธรรมเนี่ยคือมันเป็นลักษณะของปิติคุณยมติว อ, อปิติคือความอิ่มเอิบใจความสบายใจความร่าเริงแบบโอ๊ยมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะ เป็นลักษณะของความร่าเริงเอ่อเพราะฉะนั้นไอ้ความปีติความร่าเริงที่จะเกิดขึ้นต้องมีผลอะไรเออต้องเป็นเหตุอะไรเป็นเหตุความปีติร่าเริงพุทธเจ้าบอกนั่นก็คือความปราโมทความปราโมทก็คือความที่แบบอ๋อเข้าใจความที่เราก็คือความดีใจเล็กๆนะความดีใจเล็กๆทีนี้ความปราโมทเนี่ยอยู่ๆมันจะเกิดมาขึ้นได้อย่างไรพุทธเจ้าก็พูดถึงความที่เรา เราไม่ร้อนใจก็เป็นคนที่ต้องไม่มีความร้อนใจนะไม่มีความร้อใจก็จะมีความปราโมทได้ทีนี้จะมาเป็นคนไม่ร้อนใจได้เนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่มีศรัทธานะคุณ <dumped S 1> มีศรันะทธาผู้รู้จ่าบอกว่าอพอคนมีศรัทธาแล้วเนี่ยจะมีปิติปราโมทเกิดขึ้นนะมีปิติปราโมทเกิดขึ้นนะความไม่ร้อนใจเกิดจากการที่เรามีศีลด้วยนะคือคนมีศรัทธาแล้วก็จะไปปฏิบัติตามศีลบ้างปฏิบัติตามธรรมะของระพุทธเจ้าบ้าง พอปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัตินี่คือหมายถึงทำทางใจก็ได้นะพอเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะมีความปิติปราโมทย์ตรงนี้แหละคือจะเป็นความร่าเริงนะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นมันมาจากอะไรก็ต้องพูดถึงเหตุนั่นคือความศรัทธา น, นั่นเองเพื่อนถ้าพูดถึงคุณรัตนาบดีก็คือถ้าเรามีศรัทธานในคำสอนพระเจ้านะความร่าเริงตรงนี้จะเกิดขึ้นได้ยังถามคุณยมติ๋วเองก็ได้ เวลาที่คุณโยมติ๋วฟังแล้วว่าโอ้มันเพลินไปเลยเวลาหมดไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยนะอาตมาก็จะบอกว่าเอ้ยมันใช้ควาเพลินไม่ได้ความเพลินเป็นทุกข์แต่เราก็จะบอกเออมีความร่าเริงเกิดขึ้นทําให้เราลืมเรื่องเวลาไปทําให้เวลากลายเป็นสิ่งที่เราไม่นึกถึงเป็นของที่ไม่เนื่องด้วยเวลาใช่ไหมพอเป็นอย่างนั้นแล้วถามว่าเอ๊ะทำไมในตอนนั้นเราถึงมีความรู้สึกว่ามีความร่าเริงเกิดขึ้นนั่นก็เพราะว่าเวลาที่เราฟังทำไปเนี่ยเรามาใคร้ควณพิจารณาตามถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้เคยทํามา ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็มาแจมแจ้งแก่เราตรงนี้แหละคือความเอรู้ที่เกิดขึ้นคะ่ะ่พอเป็นงี้แล้วเราจึงมีความแจมแจ้งขึ้นมาปีติปราโมทเกิดก็มีความเป็นลักษณะของความร่าเริงขึ้นมาค่ะอะแต่ดิฉันเข้าใจว่าเผลอๆคุณรัตนวดีเนี่ยอาจจะร่าเริงในธรรมอยู่แล้วเพียงแต่เข้าใจความร่าเริงในธรรมยังไม่ถูกก็ได้นะคะอืเพราะว่าก็พูดว่าเป็นคนที่เชื่อมั่นในคําสอนของพระพุทธเจ้า ไม่เพียงแต่ศรัทธานะคะเชื่อมั่นในคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยยกหัวข้อสําคัญมาว่าเรื่องกรรมและตรัยลักษ ะ, ค, ะค่ะอ๋อค่ะคือเชื่อมั่นนี่ก็อยู่ที่ระดับไหนไงคือที่บอกว่าไม่มีความร่าเริงมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีร้อยเอร์็นต์นะแม้มีนมิดๆหน่อยๆเนี่ยถ้าเราไม่มีศรัทธาเลยเราคงจะไม่มานั่งฟังรายการนี้ก็ยังทนฟังไปทั้งทั้งที่ง่วงบ้างอะไรบ้างนเะพราะนั้นเรายังมีศรัทธาแน่นอนแต่ว่าศรัทธาคุณระดับไหนล่ะ อย่างภิกษุในสมัยก่อนเนี่ยเวลาพระรูชาวเขาอยู่อยู่ต่อหน้าพระรู้าเนี่ยเที่ยงคืนนะคุณโยมติ๋วบางที่ตีสองนะพระรูชานั่งนิ่งภิกษุพวกนั้นก็นั่งนิ่งรอว่าพระรูชาวจะกล่าวอะไรนตั้งแต่ปรถมมายามถึงแต่ทุ่มหนึ่งไปหโมงเย็นเป็นต้นไปนั่งคอยพระรูชาวจะพูดอะไรพระรูชาไม่เห็นพูดอะไรก็ยังนิ่งอยู่ไม่ง่วงไม่หนีไปนอนนะจนกระทั่งเข้าถึงยามกลางราตรีสี่ทุ่มก็รอว่าพระรูชาวจะพูดอะไรพระรูชาวก็ไม่พูดอะไรก็ไม่หนีไปนอนนะ สมัยนะั้นจนกระทั่งเข้าสู่ยามท้ายของราตรีก็ตีสองแล้วนะก็ฟังอยู่พระพุทธเจ้าจะพูดอะไรพระพุทธเจ้าก็ยังไม่พูดอะไรก็ไม่หนีไปนอนนะค <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่ตอนหน้าพระพุทธเจ้าแล้วโอ้โหมันมีศรัทธาเต็มที่เลยคุณยมติเนี่ย ว, วะทำให้มัน <c oughs> ไม่มีความง่วง ม, มีความมีแต่ปีติเประเมอคอยเงี่ยโสดฟังสดับว่าพระพุทธเจ้าจะพูดอะไรนี่ศรัทธาระดับนี้นี่ที่สุสุสหมายก่อนก็มีกันนะนะค่ะเพราะฉะนั้นอดิฉันเข้าใจว่า ความศรัทธาเนี่ยสำคัญมาก<ช>นะคะแล้วก็ถ้าท่าอาจารย์พูดมาถึงตรงที่อ่าตัวอย่างคือดิฉันเป็นอย่างไรก็ขออนุญาตพูดนะคะว่าอสำหรับดิฉันเองทุกวันนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าได้ฟังธรรมที่มาจากพุทวชนะนนจะมีความรู้สึกว่าเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดมการได้อ่านพทวจนะหรือการศึกษาผู้ทวจนะเนี่ย อ, อันนี้ก็เป็นส่วนตัวของดิฉันมากเลยนะคะท่านฟังคะ่ะดิฉัมีความรู้สึกว่าเพียงพอโดยที่แทบจะไม่ต้องเสพสิ่งอื่นเว้นแต่ว่าตอนนี้มาทำงานที่จำเป็นจะต้องบริโภคข้อมูลข่าวสารไปประกอบการทำงานก็เป็นไ ป, นปนโดยเหตุปัจจัยแต่ก่อนหน้าที่จะมาทำงานห่วงเวลาที่ได้รู้จักพุ้ทวัตจะนะเป็นระยะเวลาพอสมควรทีเดียวที่ ถึงขนาดว่าข่าวก็ไม่ค่อยได้ฟังเว้นแต่เขาส่งมาในเครื่องแล้วก็เพลงเพลิงนี่เสษแ้าจะเป็นศูนย์เลยค่ะเพราะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าออิ่มเอิบนะคะใช่ก็ไม่ไม่ทราบจะพูดยังไงคือรู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยชอบสิ่งที่เป็นความเป็นจริงแล้วเราก็พิสูจน์ได้ แล้วทําให้เกิดความเชื่อด้วยตัวของเราเองได้<ช>และสิ่งนี้ได้ไประจักษ์ในคําสอนของพระศ า, าสดาคือพระพุทธเจ้าของเราค่ะตรงนี้ประเด็นที่คุณยมติวพูดมานี้ดีมากเลยที่ว่าประจักษ์ในคําสอนในตัวเราเองเพราะฉะนั้นคือ<ด>เราต้องน้อมเข้ามาสู่ตัวคือฟังฟังไปไม่ใช่ฟังหูซ้ายเข้าถลูหูขวาฟังฟังไปเนี่ยที่เราฟังฟังเนี่ยคือประสบการณ์ของพระเจงนั้นเลยเป็นความรู้ของคนอื่ น, นไม่ใช่ความรู้ของตัวเราเองเราคิดว่าฟังฟังแล้วเรารู้รจริงๆคุณยังไม่รู้คุณรู้ประสบการณ์ของคนอื่นเขา แต่ไม่ใช่ประสบการณ์ของตัวเองไม่ใช่รู้ได้เฉพาะตนคํำนี้พระพุทธเจ้าใช้คําว่าวินยูนะวินยูชนน ะ, ะคือไม่ใช่ปัญญาชนนะคือเราจําข้อมูลนั้นนี้น้นได้เนี่ยนี่คือความเป็นปัญญาชนใช่ไหม ท, <ะ>ที่สมัยนี้เขาเขายืมคําของพระเจ้าไปใช้คือคําว่าปัญญาเนี่ยนะจริงๆเอาไป<ะ>ใช้ก็ใช้ไม่ถูกด้วยพระพุทเจ้าพูดถึงปัญญานี่คือความที่ตั ด, ตดกิเลสได้แต่เขาเอาไปใช้แทนถึงความที่คุณจําสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เฉยน ะ, ะาการจําตรงเนี้ย เาเรปัญญาชนแตจริงๆคือคุณจําได้เฉยแต่ถ้าเรารู้เข้าไปถึงใจรู้ด้วยตัวเองนะเรียกว่าวินยูชนวินยูชนแล้วดิฉันเชื่อว่าท่านฟังที่กําลังฟังรายการอยู่ในขณะนี้ เ, เป็นจํานวนมากทีเดียวนะคะถ้าถึงขนาดที่พูดมาว่าแมมชอบฟังธรรมะจังเลยชอบฟังธรรมะที่มาจากผู้ทวจนะจังเลย อ, อย่างนี้เราจะถือว่าท่านทั้งหลายนี่เกิดความร่าเริงในธรรมได้แล้วไหมคะอ๋อแน่นอนใช่ เพาส่วนใหญ่ที่ดิฉันเจอเนี่ยจะละล่ำละลักแบบนี้ไปโรงพยาบาลก็เจอนะคะผู้หญิงคนนึงพาคุณแม่ไปก็บอกว่าโอ้คุณสัมสีใช่ไหมค่า ด, ดีใจมากจังเลยเนี่ยฟังรายการประจําเลยนะคะอย่างน้นอย่างนี้อดิฉันก็จึงเข้าใจว่าท่านทั้งหลายเหล่าเนี้ถึงขนาดชอบฟังไปเรื่อยๆก็คงจะอาการคล้ายๆกับดิฉันที่ทุกวันนี้ก็ยังมีความรู้สึกว่าไม่อิ่มไม่พอก็ต้องการจะให้ครูบราอาจารย์ได้ช่วยถ่ายทอดในสิ่งเหล่านี้ให้เราได้รับทราบเรื่อยๆเช่นเดียวกัน ก็นำมัส ก, การขอบพระคุณท่านอีกครั้งนะคะเชิญบาลถ้าอาจารย์ค่ะทีนี้ท่านยกตัวอย่างการน้อมเข้ามาใส่ตัวเนี่ยฉันก็เห็นกรณีศึกษาเกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้อยู่เป็นประจำเ<ๆ>ช่นก่อนจะมาสนทนากับท่านอาจารย์มีกรณีการเสียชีวิตของทั้งคนไทยและคนต่างประเทศที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงสำหรับท่านแรกคนไทยนี่ก็มีชื่อเสียงในระดับชาติของเราคือท่านอังคารกัลยานพงษ์ ดิฉันรู้จักท่านน่าแต่เด็กเลยนะคะคื อ, อที่บ้านจะรับหนังสือชาวกรงุงท่านท่านจังเคยได้ยินไหมคะโอ้โหคนลัชสมัยก็จะมา <c oughs> ท่านเลยท่านเลยกาลังจะบอกท่านผู้ฟังว่าท่านอยู่ในยุคหลังกว่าดิฉันหนังสือชาวกรุงเนี่ยทุกวันนี้ดิฉันยังอยาก อ, ยาอ่านเลยนะคะอคอตอนนั้นก็เป็นเด็กมากรู้แต่ว่าในหนังสือนั้ น, นจะมีภาพวาดแล้วก็มีบทกวีท่าอังคารกับ ศิลปินอีกหลายท่านเนี่ยสลับกันเขียนแล้วก็จำได้เลยว่าเอกลักษณ์ของท่านอังคารเนี่ยจะเขียนหนังสือเหมือนลายไทยตัวหนังสือเนี่ยนะคะก็ภาพวาดของท่านก็จะเป็นลายเส้นที่สวยมากทีนี้วันนี้เนี่ยท่านก็ได้เสียชีวิตไปแล้วจากเราไปแล้วกับคนต่างประเทศที่ดิฉันพูดถึงก็คือเนลอาร์มสตรองท่านอาจารย์ เกิดทันไหมคะตอนนิว เ, เหยียบดวงจันทร์นะคะก็ยังยังยังไม่เกิดอ๋อแล้วดิฉันคนละยุ ก, กับท่านอีกแล้วเหรอคะ <c oughs> คือหรืออาจจะเราเด็กๆ เ, เราก็ไม่รู้เรื่องกันค่ะตอนเป็นเด็กเนี่ยตื่นเ ต, ต้นกันมากเพราะว่าตอนนั้นเขบอกโอ้ oh, ยานอพอลโลนะจะไปดวงจันทร์เมื่อก่อนซึ่งเราเห็นเนี่ยพระจันทร์เนี่ยก็เหมือนกับเป็นดวงดาวสวยๆ ส, ส่วนใหญ่ก็จะพูดกันถึงเรื่องความรักด้วยซ้ําอื่องตำนานมีกระต่ายอยู่บนดวงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ นิลอามสตรองนะไปโดยยานอาวกาศที่สร้างโดยชาวโลกนะไปเหยียบดวงจันได้ตื่นเต้นกันทั้งโลกเลยค่ะอืมในตอนอย่างขาเหยียบก้าวแรกเป็นยังไงวันนี้ท่านนี้ก็เสียชีวิตไปแล้ ว, ลวจะน้อมเข้ามาสวดใส่ตัวยังไงดีะครับวันนี้พุทิชา้าตราดไปแล้วว่าถ้าเราได้ยินข่าวนะว่าคนที่นู้นที่นี้ที่นั้นซึ่งเราไม่ได้เห็นเราได้ยินข่าวเฉยว่าอเขาประสบความทุกข์หรือว่าได้ตายลง ถ้าเราได้ยินข่าวแล้วเนี่ยแล้วเรามาพิจารณาว่าโอ้เราก็ไม่ร่วงพ้นจากความเป็นงนี้นะเอ๊เราควรจะต้องรีบทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่เมื่อความตายมาถึงเราแล้วเนี่ยเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุขอยู่ได้ถ้าเราเป็นอย่างนี้คุณจะเป็นม้าอาชันในประเภทที่1เลยม้าอาชัยในประเภทที่1ตัวอย่างเช่นใครบ้างอย่างภิกษุทั้งหลายที่มาบวชเนี่ยบวชจริงๆจริงเพื่อที่จะตัดวัฏฏสงสารเนี่ยนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยเห็นทุกข์ที่อยู่ในสังสารวัฏอยู่ในวัฏฏเนี่ย มันสุขก็มีมันทุกข์ก็มีใช่ไหมความสุขนี่ก็มีทุกเจอด้วยแล้วก็ไอ้สุขนี่ก็ไม่ได้ไม่แน่ไม่นอนเออพอรู้อย่างนี้แล้วก็เลยคิดว่าเออจะมาปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์นั่นก็คือได้เคยได้ยินเรื่องราวคนอื่นตายมาแล้วประสบความทุกข์มาแล้วตัวเองก็เลยคิดว่าเอาฉันขอจะพ้นทุกข์ละนี่เป็นมาอาชัยประเภทที่หนึ่งค่ะนะอันนี้ก็คือเราอมน้อมเข้าไปสู่ตัวในกรณีนี้ได้เลยว่าโอ้ฉันก็ต้องเป็นงี้แฮนะนี้จะได้ประโยชน์มากจากกาละกิริยาของบุคคลนนีีี้ค่่่กอยยยยาางทุณมมติวเ เป็นตัวอย่างที่ดีมากเพราะว่าเกิดในสมัยปัจจุบันที่ที่เราเห็นได้ทันทีข่าวก็ปรากฏอยู่นะแะแค่นี้ยังไม่พอบุคคลอื่นๆที่ล่วงมาแล้วนะที่มีความยิ่งใหญ่มากเลยนะอย่างใครในหลวงราชกาลที่5โอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยสมัยนั้นแล้วนะก็ล่วงมาแล้วเหมือนกันนะพระนารายณ์มหาราชนะหรือว่าเอ่อใครต่อใครนะที่เป็นครองดินแดนตัวใหญ่ ย, ยิ่งก็ก็ล่วงมาแล้วทั้งนั้น สามารถพระพุทจ้าของ <ując S 1> เราก็ล่วงมาแล้วแม้แต่ภาษาสดาใชา่ทีนี้ดิฉันเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าเราคิดได้อย่างนี้ทุกวันเราจะใช้ชีวิตได้เหนื่อยน้อยลงดิฉันคิดถูกหรือผิดคะตามธรรมเนี่ยคะถ้าคิดได้วันละเป็นหลายๆายร้อยครั้งก็จะใช้ชีวิตได้เหนื่อยน้อยลงอันนี้เอว่าพูดอันนี้มาเอามาจากไหนเอามาจากการที่ท่านพระอนุนถามพระพุทธเจ้าว่า เออพระผู้รเจ้าถามท่านพระ อ, อ น, นุ์บอกว่าเอออ น, นุนเธอระลึกถึงความตายวัลกี่ครั้งเนี่ยพระรู้เจ้าพระอนุนบอกวันละร้อยครั้งท่าน issements. พระอนุนก็พระรู้เจ้ายังน้อยไปนะคือหมายความว่าพิสูจนแต่ละรูปเนี่ยก็ก็บอกว่าคนนี้คิดถึงว่าลหนึ่งครั้งคนนี้ <Okay. S 1> คิดถึงว่าลสองครั้ง10ครั้ง20ครั้ง100ร้งรอยครั้งบ้างหรือว่ากินข้าวแล้วอาจจะตายได้อันนี้ก็ยังน้อยไปแต่พระรู้เจ้าให้นึกถึงมากกว่านั้นอีก มากกว่าที่สมมุติเรากินข้าววันนี้เราจะตายนะกินข้าวไปสามสี่คำจะตายอันนี้ถึงค่อยจะดีขึ้นนะหรือหายใจเข้าลมนี้ไม่ออกแล้วจะตายก็ถึงที่ว่าจะดีขึ้นฉีดมันเหนื่อยน้อยลงอย่างไรงคะคือว่าเราจะปล่อยวางในหมากค่ะความเหนื่อยหรือความไม่เหนื่อยเนี่ยคุณโยมติ๋วอยู่ที่ความยึดถือถ้าเรายิ่งยึดถือมากมันต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้เลยคุณจะมีอะไรมา ก, กระเทือนนิดนึงคุณต้องจีดทันทีค่ะอ่ะนะคะที่ดิฉันต้อง ตัดบทท่านเพราะว่าดูเวลาก็ดูลเพราะว่าจะต้องลานะคะก็เท่ากับว่าวันนี้มีแง่คิดทั้งเรื่องร่าเริงในธรรมกับทั้งเรื่องในการที่ได้น้อมเอาความตายของคนอื่นเนี่ยมาใส่ตัวเราเพื่อที่จะทำให้ชีวิตนั้นปล่อยวางได้มากขึ้นการดำเนินชีวิตของเราจะได้เหนื่อยน้อยลงนะคะต้องกราบนรัมาสการขอบพระคุณท่านไพบูลสาหรับวันนี้เป็นอย่างมากนะคะนรัมสการค่ะ ท่นฟังคับและนั่นคือเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะนําพุทธวจนะของภาษาสดามาตอบคําถามที่เราถามกันเพื่อให้ท่านนั้นได้เข้าถึงธรรมและน้อมเอาไปปฏิบัติจนเกิดผลให้เชื่อด้วยตัวของท่านเองนั่นเป็นสิ่งที่เรามุ่งหวังเพราะนั่นจะนําไปสู่ศรัทธาและร่าเริงในธรรมกลับไปที่ประการแรกที่เราบอกเป็นหัวข้อที่เราพูดกับท่านมัน น, นะคะรายการนี้รายการสันสนีสนทนาดิฉันสันสนีนาฏพงศ์ดาเนินรายการคะ่ะ ก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่ศรัทธาอยู่แล้วได้มีโอกาสศึกษาพุทธวจนะให้ยิ่งยวดมากยิ่งขึ้นหนังสือยังไม่มีขายนะคะท่านสามารถที่จะหาอ่านได้ในส่วนของรายการเราก็ได้รับความเมตตามาจากพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลท่านเจ้าวาดวัฒนาป่าพงศ์ที่พระมารับพภิกษุรูปแรกที่ท่านได้พบจำพรรษาอยู่เนี่ยนะคะมอบให้กับพวกเราทาง022690006ค่ะ ถามคำถามมาก็ได้หรือจะส่งตรงไปที่ท่านไพบูลซึ่งที่เว็บไซต์นั้นสามารถจะฟังรายการนี้ได้ด้วยก็คือเ e ียว h ร m ม a .com/106 ค่ะพุทธวสวัสดีนะคะสำหรับวันนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะ